ค่อยๆหายใจลึกๆอย่าไปเร่งมันแล้วก็ค่อยๆหายใจออกมาค่อยๆคาย อ, ยออกมาตามที่เราได้เคยปฏิบัติตามที่เคยภาวนาตามสำนักต่างๆก็จะมีพุโทโธบ้าง น้าพัะพทะบ้างยุบหน่อพองหน่อบ้างแต่วัดเขาอิติสุโกโตนั้นหายใจเข้าโพยิ้มเขวะหายใจออกโทก็ยิ้มเขวะพุทธเนี่ยแปลว่าผู้รู้เมื่อเราหายใจเข้าเนี่ยเราก็มีความรู้สึกรู้ตัวว่าเรา กำลังบำเพ็ญเพียรอยู่การบำเพ็ญเพียร น, นั้นนะับว่าเป็นอานิสงส์ที่มากที่สุดยิ่งกว่าการทำบุญใดๆทั้งสิ้นหายใจเข้าพุทธเนี่ยเมื่อเราหายใจด้วยมีการประคองสติรู้ตัวรู้ตนเนี่ย นับว่าเป็นการหายใจที่มีคุณค่าอย่างมหาศาลเมื่อเราหายใจเข้าออกโดยไม่มีสติเนี่ยเท่ากับเรานั้นทำงานหรือการใช้ชีวิตเนี่ยโดยที่เราไม่คิดนั่นเองก็เราขาดสติก็เปียกเหมือนคนบ้า ถ้าเรียกกันให้เพาะเรียกว่าวิกลจริตดัะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายหากเราจะไม่หายใจทิ้งไปเฉยเมื่อเราใช้ชีวิตโดยอย่างความประมาทไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้วันเดือนปีนี่คือหนักมากการหายใจเข้าออก ควบคุมอารมณ์หายใจไม่ได้ควบคุมความคิดนึกของความเป็นคนไม่ได้นี่เรียกว่าเป็นคนประสาทหรือว่าวิกลจริตไม่สามารถควบคุมสติได้ฉันใดก็ฉันนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายหายใจเข้าโพดยิ้มเข้าไว มีความช่มชื่นหัวใจเข้าไว้เมื่อคลายออกก็หายใจโรมันคลายสิ่งที่ไม่ดีออกมาเมื่อเราหายใจสิ่งที่ดีมีสติรู้ตัวรู้ตนยิ้มเข้าไว้ด้วยเมตตาจิตร่างกายก็รู้สึกอบอิ่มสบายเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้น ความคิดฟุ้งซ่านของจิตเนี่ยก็คือใจเนี่ยมันถูกปลอบใจบำลงบำเลอใจทำให้เราเนี่ยรู้สึกมักคุ้นกับใจของเราจึงให้เรานั่งปฏิบัติมองเห็นใจของเราก็คือจิตนั่นเอง ภาษาค า, าวาสเรียกว่าใจหรือเรียกว่าหัวใจถ้าภาษาพระเรียกว่าจิตจิตวิญญาณจิตวิญญาณของเราเนี่ยเราได้แต่สัมผัสจิตคนอื่นเราได้อยากรู้ในสิ่งของคนอื่นมีแต่เราไม่เคยรู้ใจของเราเองเลย เรามักจะให้คนอื่นเนี่ยมาเห็นใจเราเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราอยากให้คนอื่นรู้ใจเราเห็นใจเราแต่เราเนี่ยไม่เคยมองใจของเราเลยไม่เคยมีความคุ้นเข้าไปในใจของเราเราก็ได้รู้ว่าเขาเรียกว่าจิตวิญญาณอะไรคือจิตวิญญาณ ในขณะนี้เนี่ยเราเอาสติมีความรู้ตัวรู้ตนเนี่ยมองลึกเข้าไปมองเห็นจิตวิญญาณก็คือมองเห็นใจเรายิ้มกาแหวะค่อยๆนึกคิดค่อยๆปอบใจตัวเองแล้วก็ค่อยๆมองเห็นใจตัวเอง เมื่อเรามองเห็นใจตัวเองเนี่ยเราไม่ต้องต้องการให้คนอื่นเนี่มารู้ใจเรานักปฏิบัติทั้งหลายเมื่อเราเห็นใจตัวเองแล้วก็ค่อยๆทำความคุ้นเคยกับใจของตัวเองก็คือจิตวิญญาณจิตนี่ก็มีความคิดจิตนี่มีความคิด มีความคิดรู้สึกหนาวร้อนเย็นในขณะนี้เหมือนหูเนี่ยที่เราได้ยินเรียกว่าจิตวิญญาณรมพัดเข้ามาถูกร่างกายเรารู้สึกเย็นนั่นก็เรียกว่าจิตวิญญาณรับรู้แต่มันรับรู้มาทางกายในขณะนี้เรียกว่ากายวิญญาณ กายกับจิตเนี่ยนักปฏิบัติทั้งหลายเมื่อเราไม่รู้จักสติสติคือความรู้ตัวอย่างที่ลุงพ่อบอกว่าถ้าเราไม่มีความรู้สึกรู้ตัวเนี่ยไม่มีสติเนี่ยก็คือวิคนวิคนจริตนั่นเองเหมือนกับเราใช้ชีวิตทุกวันทุกวันเนี่ย เราไม่มีสติมีความรู้ตัวหายใจเข้าออกเราจะไม่รู้วันรู้เดือนรู้ปีเลยทันทีและเราก็เป็นบุคคลที่อยู่ความประมาทอยู่กับความประมาทอย่างมากไม่รู้วันเวลาไม่รู้เหตุรู้ผลไม่รู้ตัวรู้ตนเนี่ย ถา้าเราประมาทอย่างมากจิตเนี่ยมันก็มีคิดปรุงแต่งในเรื่องของอกุศลกับบุญกุศลมีสองอย่างก็คือดีกับชั่วนั่นเองในขณะจิตเราที่มีสติในขณะนี้เนี่ยเราก็มองเขาไปทําความคุ้นเคยเหมือนเราเลี้ยงสัตว์เราเลี้ยงอะไรก็ได้ ทำไมเราไปยึดติดบ้านทำไมเราไปยึดติดรูปสามีภรรยาทรัพย์สมบัติทำไมเราคุ้นคุ้นกับสิ่งเหล่านี้เราทำไมเราทะเยอทะยานอยากแต่หาความสุขอยากมีกทรัพย์แก้วแหวนเงินทองเอามากองเอามาใสเอามาห้อยไว้เต็มตัวหมดแก้วแหวนเงินทอง รถราบ้านช่องลูกเมียที่ดินอาหารทำไมเราคิดได้นึกออกแต่สิ่งเหล่านี้เรียกว่าทรัพย์ภายนอกทำไมเราคุ้นเคยกับมันทำไมเรารู้เราชินต่อความรู้สึกว่าเราจะต้องแสวงหาโดยที่เราไม่สามารถ จะหยิบต้องหรือพามันไปได้ในขณะที่เราตายแล้วค่อยๆ ค, คิดไปใช้จิตได้สำนึกนึกตามหลวงพ่อไปทำไมเราไม่ชินกับใจเราเลยที่เรามีอารมณ์ปรุงแต่งว่าเสียใจนักผิดหวังนักไม่สบายใจเลยปวดหัวตัวร้อนรู้สึกอึดอัดใจ ไม่แน่ใจลังเลใจเหลือเกินกับลูกคนนี้กับสามีคนนี้กับภรรยาคนนี้ไม่แน่ใจเลยว่าทรัพย์สมบัติจะอันตรธานหายไปหรือเปล่าเ้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทำไมเราตึงต้องกากากรรมเหนื่อยยากก็ปรับปรปุงคิดปรุงแต่งไป ไอ้จิตวิ ญ, ญญาณมันก็ปรุงไปตามกิเลสกิเลสก็คือทำให้จิตใจของเราเนี่ยมัวหมองขาดสติขาดการยั้งคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานาตามอารมณ์คิดเรียกว่าจิตวิญ ญ, ญาณเขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกถ้าเป็นคาราวาถ้าเป็นคำพระเาเรียกว่าปรุงแต่งฟงุ้งซ่าน เมื่อเรามีการปรุงแต่งฟุ้งซ่านโดยขาดสติคำว่าขาดขาดตัวนี้ก็คือขาดความจริงนั่นเองเราไม่รู้ความจริงอย่างแท้จริงเห็นไหมเรียกว่าจริงใจเมื่อเราขาดความจริงใจและที่สิ่งที่แท้จริงเนี่ยเรียกว่าสัจจะคือความจริง องสมมาสมพุทธเจ้าเรียกว่าสัจจบารมีถ้าเราไม่บำเพ็ญเพียรสัจจบารมีเนี่ยจิตของเราเนี่ยก็เกิดความฟุ้งซ่านเกิดความลังเลเกิดความสงสัยเกิดความรู้สึกว่ามันจริงหรือไม่จริง เมื่อเกิดความลังเลฟุง้งซ่านสงสัยก็ขาดสติทั้งๆ ท, ที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราเหมือนคนขาดใจเห็นไหมแต่ถ้าเกิดในขณะนี้เนี่ยท่านทั้งหลายได้มองเห็นใจตัวเองปอบใจตัวเองยิ้มข็ไหว สติมีความรู้ตัวว่าเราเนี่ยกำลังบําเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ถ้าเราจิตของเรามีความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสคือความทุกข์มัวมหมองได้มันก็เบิกบานใจเรียกว่าจิตวิญญาณเมื่อจิตวิญญาณเกิดขึ้นบริสุทธิ์ดีแล้วเนี่ยไอ้กายวิญญาณก็คือร่างกายที่เรานั่งอยู่เนี่ย เราก็มองเห็นตัวเอง น, นึกปรุงเข้าไปเอาจิตวิญญาณเนี่ยรับรู้รูปนามของเราโอโา้หนอรูปร่างเราเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเกิดปรุงแต่งมองเห็นรูปร่างของคนอื่นเรียกว่ารูปรักของกายภายนอก ก็คือคนที่ไกลตัวเมื่อเรามองเห็นคนไกลตัวเขาสวยเขาหลอ่อเราก็ปรุงแต่งบ้างเอาละไอจิตวิญญาณในเกิดการขาดสติรู้ตัวรู้ตนขาดความเป็นจริงของในสิ่งที่เรายอมรับเราต้องยอมรับว่าบุญนำกาแต่งเมื่อเรามีบุญมีสินดี ก็จะมีวาจาที่ไพเราะมีสินดีมากขึ้นร่างกายหน้าตาก็อิ่มเอิบยิ้มแย้มแจ่มใสถึงวาระที่เกิดมาเป็นมนุษย์ผิวพรรณก็ผ่องใสบางคนดำบ้างบางคนขาวซีดบางคนเหลืองผิวพรรณ น, น่ะเอี่ยมอ่องมือไม้เนี่ยสวยสดงดงาม แต่ทั้งใบหูตาจมูกปากเส้นผมผิวพรรณต่างๆนาน า, นารูปทรงเนี่ยมีวันนะที่ผ่องใสมีอาการสามสิบสองที่งดงามแตกต่างกับคนที่มีบุพกรรมทางกายอย่า ง, างมากเพราะนั้นมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ย ย่อมมีวั น, นะที่แตกต่างย่อมมีจิตใจย่อมมีสติปัญญาที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็คือบุญบุญก็คือความว่างเปล่าในขณะนี้เนี่ยเราค่อยค่อยคุ้นกับใจของเราเราค่อยค่อยมองเห็นใจของเราที่เต้นตุบๆ บ, บเนี่ย มองให้ใสเหมือนดังแก้วใสเหมือนดังหยาดฝนที่ตกมาในขณะนี้เนี่ยน้ําฝนที่ไหนบ้างที่มีคุณน้ําฝนมันก็ใสเหมือนแก้วใสสะอาดใครเห็นน้ําฝนก็อยากจะอาบอยากจะล้างอยากจะทานอยากจะเก็บมันเอาไว้ก็เหมือนใจเรานี่นยแหละ ใจทุกคนก็อยากจะเห็นความรู้สึกที่ดีอยากมีความสุขนั่นเองอยากจะเจอในสิ่งที่ดีในชีวิตอยากพบอยากเห็นอยากได้ยินในสิ่งที่เราชอบใจรู้สึกสบายใจองค์สมมสัมพุทธเจ้าว่าความสาเร็จก็อยู่ที่ใจ เมื่อใจเราเนี่ยอยู่ในเรื่องของบุญกุศลก็คือความว่างปล่าเมื่อมีความว่างวางจากกิเลสก็คือความมัวหม อ, มองก็คือความโลภนั่นเองความโลภก็คือความอยากได้ก่อนที่เราจะได้เนี่ยเราก็ต้องมาปรุงแต่งฟุ้งซ่านเมื่อเรามีการปรุงแต่งฟุ้งซ่านมากขึ้น จิตใจของเราเนี่ยก็จะมีความรู้สึกเลยว่าอึดอัดใจคาดคะเนใจเดาใจสติที่เคยอยู่กับตัวกับตนเนี่ยก็เริ่มมองเหมือนเราเห็นคนอื่นสวยหล่อเรารู้สึกมาเอาเวทนาใจว่าโอ้เนาะเราทำไมเกิดมาไม่รูปงามอย่างเขา ทำไมเราเกิดมาเนี่าทำไมเป็นรูปคนจนทำไมเรามีผิวดำผิวหยาบก้านเราไม่สดไม่สวยไม่หล่อไม่รูปงามเกิดมามีวงตระกูลก็ไม่เหมือนเขาทำไมเขามีแก้วแหวนเงินทองเราก็ไปมองแต่ทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในก็คือใจเนี่ยเราไม่ซึมทรัพย์ในสิ่งที่ดี เราซึมรับแต่สิ่งที่เป็นมัวหมองในใจเราเหมือนในขณะนี้เนี่ยเราไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวทำไมใจเรารู้สึกเฉยทำไมใจเราเนี่ยมีความรู้สึกชุ่มชื่นใจแต่ทำไมกายเราเนี่ยมีความรู้สึกหนัก เบาช่วงบนรู้สึกสมองมันโป่งเบาสบายใจของเรารู้สึกเต้นสบายไม่หวั่นไหวร่างกายเราก็ไม่ต้องมาเอนซ้ายเอน็นขวาไม่ต้องเดินไม่ต้องวิ่งไม่ต้องตะแคงซ้ายตะแคงขวาหน้าเราก็ไม่ต้องเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวา รูหูเราเนี่ยก็ไม่ได้ไปฟังความนินทาด่าว่าไม่ได้เป็นแเฟไม่ได้ไปฟังในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงเมื่อเราได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินเราไม่เคยรู้ในสิ่งที่เรารู้เราได้แต่เห็นพอเราลืมตาเนี่ยเราก็ได้เห็นเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แงะซ้ายแลขวา ทำไมเราเนี่ยไม่เมื่อยคอมั่งหรืออย่างไรตาเราเนี่ยกระพริบวันหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านล้านครั้งทำไมเราไม่เมื่อยตาบ้างหรืออย่างไรถ้าเราไม่แสบหูคันหูทำไมเราไม่มีอะไรเนี่ยเข้ามาในหูเราเนี่ยจนคับหูเจ็บหูไปหมดทำไมเราทนได้ ก็เพราะว่าเราชินชาญแปลว่าชินชินในการสแสวงหาทรัพย์ภายนอกคือมองเห็นแต่เปลือกนอกเรียกว่ากภพีต้นไม้เนี่ยที่คำพระก็คือพระพุทธเจ้าว่าพระกะภะพีนักปฏิบัติที่เป็นกภพีก็คือเปลือกเปลือกนอก แต่ถ้าต้นไม้เนี่ยขาดเปลือกนอกเนี่ยก็ไม่สามารถจะอยู่ได้เหมือนกันเพราะเปลือกเนี่ยเป็นการห่อหุ้มรำต้นที่ไม่ให้ถูกบรรยากาศหรืออากาศหรือธรรมชาติเนี่ยเข้ามาทำลายต้นได้จะต้องนำอาหารนำน้ำเนี่ยสารอาหารเนี่ยป็นหล่อเลี้ยงรำต้น ก็คือเนื้อในแต่มีเนื้อในเนี่ยกายังมีแก่นในเข้าไปอีกคนเราเนี่ยมองอะไรได้มองแต่เปลือกก็คือมองผิวเผินมองเห็นแต่โรคภายนอกเรียกว่าซับภายนอกเมื่อมองเห็นเนื้อเห็นหนังก็เรียกว่าหนังกำพร้าก็คือหนังที่มันไม่เจน ไม่ใช่หนังแท้เมื่อมองหนังไม่ใช่เป็นของแท้ก็คือมองเปลือกภายนอกนั่นเองนักปฏิบัติทั้งหลายเมื่อเรามองเห็นแต่กระพี้ที่เป็นเปลือกเปลือกที่ไม่เป็นหนังแท้ต้นไม้มันก็ค่อยๆผุยุย่ยแตก รอกออกมาเป็นแผ่นๆ เ, เ, เพื่อจะขยายให้มันโตขึ้นฉันใดก็ฉันนั้นว่าร่างกายเราก็เช่นเดียวกันร่างกายเราเนี่ยมีการผ่องใสเติบโตเต็มที่แล้วเต็มวัยแล้วตอนเราเล็กๆเนี่ยจะห้ามความเจริญเติบโตเนี่ยไม่ได้มันก็จะเจริญเติบโตไปตามธรรมชาติของมัน มีแม่บอนใส่มนุษย์ให้ตัวเท่าหมดคนตัวเล็กก็อยากเป็นคนตัวสูงใหญ่คนตัวสูงใหญ่ก็อยากจะตัวเองให้เล็กลงเหมือนกับคนอื่นเขาเหมือนคนอ้วนก็อยากผอมคนผอมก็อยากอ้วนคนไม่มีเงินก็อยากมีเงินคนไม่สวยไม่หล่อก็อยากสวยอยากหล่อ ค่อยๆ ค, คิดตามไปอย่าขาดอง์พวนาหายใจเข้าโพยิ้มเข้าไว้หายใจออกโทยิ้มเข้าไว้มีสติมีความรู้ตัวอยู่เสมอว่าเรากำลังบำเพ็ญเพียรอยู่อย่าให้เอาความง่วงเหงาเหงานอนเนี่ยมันมาควบคุมให้เราเนี่ยขาดสติ พรังเผอของการปฏิบัติที่จะได้บุญบุญก็คือความว่างปะเมื่อเราวางความฟุ้งซ่านลังเลใจลำบากใจอึดอัดใจแต่มันมาทรมานกายหน่อยเพราะกายกับจิตนี่มันคนละตัวกันร่างกายเราก็ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟก็คือธาตุดินก็คือกระดูก ธาตุน้าก็คือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเหมือน้ำตาน้ำลายนั่นเองเป็นมูกคูดสิ่งที่สกปรกโสโครกที่ห่อหุ้มกระดูกไปด้วยกล้ามเนื้อนะพังผืชไขมันต่างๆมีแต่น้ำเลือดน้ำเหลืองที่สกปรกโสโครกที่เราบริโภคสิงสารสาัตว์เข้าไป ในขณะที่เราเป็นแผลเนี่ยยังมีน้ำเลือดน้าเหลืองเป็นหนองเป็นโรคเรอออกมาก็เหม็นถ่ายออกมาก็เหม็นร่างกายเราก็ห่อหุ้มไปด้วยกล้ามเนื้อเอ็นเส้นเล็กเส้นใหญ่เอ็นเล็กเอ็นใหญ่พังผืดไข่ข้อกระดูกท่อนเล็กท่อนใหญ่เป็นข้อเป็นป้อง ยึดเหนียวด้วยกล้ามเนื้อเอ็นต่างๆมีเส้นเลือดเล็กเส้นเลือดใหญ่เลือดดําเลือดแดงสกรปรกโสโครกมากตาก็มีตาก็มีขี้ตาหัวก็มีขี้หัวหูก็มีขี้หูจมูกก็มีขี้มูกปากก็มีขี้เสเลดน้ำลาย ร่างกายก็มีเหงื่อมีใครที่เราเห็นอยู่ข้างนอกแต่เราไม่มีสติสติคือความรู้ตัวไงเราได้เห็นกับคนอื่นคิดว่าคนอื่นเนี่ยเามีความสวยความงามมันก็ไม่แตกต่างกับเรามนุษย์เกิดมาไม่ว่าหญิงชายเนี่ย ก, ก, ก็ต้องการกัดกินอาหารดังนั้น เราลองนึกสิว่าเรากินควายเข้าไปทั้งตัวกินวัวเข้าไปทั้งตัวกินตับกินไตกินไส้กินม้ามกินปอดกินเลือดกินเนื้อกินน้ำเหลืองกินสิ่งสกปรกโสโครกจากสัตว์ต่างๆที่ตกไปอยู่ในอบัยภูมิของสัตว์ที่ไม่สามารถเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ เพราะว่าทำวิบากกรรมตามรูปนามแห่งกรรมรูปก็หมายถึงวัวควายช้างมา้าหมูเห็ดเป็ดไก่กุ้งหอยปูปลาไส้เดือนกิ้งกือปลาหลดปลาไหลปลาช่อนปลากะดีปลาหมอต่างๆนานาตามรูปนามของกรรมต่างๆก็เปรียบเสมือนเรากินของดีแล้วก็ไปทิ้งขยะ ก, กองไว้ ยิ่งกินเท่าไรขยะ ก, ก็ยิ่งมากเท่านั้นเหมือนร่างกายเราก็เช่นเดียวกันในขณะที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราก็ไม่มีกินตัวกินเตา่าอึมาก็ไม่เหม็นฉี่มาก็ไม่เหม็นเหมือนกับในขณะนี้ค่อยๆพิษจารณาไปเราเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นสัตว์ประหลาดกันแน่เรานี่หรือเป็นยักษ์ หรือเป็นมนุษย์เราหรือเป็นมารร้ายโกหกปรุงแต่งตัวเองโกหกปรุงแต่งตัวเองไม่พอไปโกหกปรุงแต่งคนอื่นเข้าไปอีกไม่ยอมรับผิดไม่ยอมรับความเป็นจริงที่ตัวเองได้เกิดมาเป็นมนุษย์บางคนเกิดมาก็คิดพ่อแม่ ไม่ลำรวยรกย็รังเกียจพ่อรังเกียจแม่เกิดมาก็ทะเลาะกับพ่อกับแม่เกิดมาก็ทะเลาะกับพี่กับน้องเกิดมาก็ไม่มีบริวารบุญเลยมีแต่พวกอัปีจังไรมีเพื่อนๆนกับทรยศมีสามีสามีก็เป็นคนชั่วมีภรรยาภรรยาก็เป็นคนชั่ว มีสามีก็หน้าตาไม่งดไม่งามขาดสติขาดปัญญามีภรรยาก็เช่นเดียวกันไม่มีหน้าตาป่องสายงดงามไม่รักษาศีลได้ไม่มีสัจธารมีเลยเวลาพูดกันก็ทะเลาะกันด่ากันว่ากันเวลาเดินเนี่ยก็ไม่มีความสงบสง่าพ่าเผยของความเป็นมนุษย์เลย นักปฏิบัติทั้งหลายค่อยคิดค่อยนึกอย่าได้ปรุงแต่งของความเป็นกิเลสเกิดขึ้นในสภาวะของใจเลยในขณะนี้เมื่อจิตวิญญาณของเราในมีสติควบคุมจงทำความเข้าใจในใจของเราเรียกว่ากายในกายจิตในจิตเมื่อเรารู้เหตุ รู้จิตก็คือจิตวิญญาณโอ๋น oh อ no. คนเราก็มีจิตวิญญาณเหมือนกันหมดมันจะแตกต่างกันอยู่ที่สติสติคือความรู้ตัวก็คือตัวปัญญานั่นเองปัญญาก็คือการคิดได้นึกออกเรียกว่าตัวปัญญาการคิดได้นึกออกเนี่ยต้องคิดภายในตัวเองอย่างที่หลวงพ่อคิดนั่นเอง กว่าที่หลวงพ่อจะคิดได้ก็ได้บำเพ็ญเพียรการอยู่ร่วมของตัวตนและก็คนอื่นอยู่เสมอพยายามมองหาเหตุผลตัวตนของเองว่าโอ้นอเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อจะกัดกินเก็บขยะ ก, กินไปเหมือนชีวกเหมือนชีเปลย เหมือนหมูหมากาไก่ไม่ได้แตกต่างกันเลยแม้แต่น้อยสัตว์ที่มีสติปัญญาก็สามารถเอาชีวิตเอาเลือดเนื้อคนอื่นมาปรุงแต่งรสชาติสัตว์ที่ขาดสติขาดปัญญาก็ตกต่ำไว้ด้วยภูมิภพของการกินการอยู่ตามสภาพของความคิดต่างๆก็คือตัวปัญญา เหมือนคนที่มีสติปัญญาเรียนรู้มากมีทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองมากอยู่ในตระกูลที่มีการศึกษามากก็กินดีอยู่ดีตามสภาพของบุญนั่นเองบุญนำกรรแตกคนที่มีบุญมากก็คือคนที่มีสติมากมีปัญญามากก็คือการบำเพ็ญเพียร รักษาสติรักษาปัญญาก็คือการรักษาสินมาคิดดีปรุงแต่งจิตได้สานึกที่ดีเมื่อมีจิตใจดีแล้วเนี่ยกายก็จะผ่องใสขึ้นเหมือนดั่งสินที่มีสินงดงามคนมารักษาสินสินก็คือความสํารวมทางกายกายจะเดินจะเหิน ร่างกายเราก็ชำะระล้างด้วยจิตใจที่โสโคกโสมมเนี่ยปรุงแต่งมาเราก็มาระออกเรียกว่ามีจิตได้จำนึกเนี่ยนึกในสิ่งที่ดีในขณะนี้เราก็มีกายที่ไม่ต้องไปใส่สีนั้นสีนี้สีด่างกระดำสีเขียวสีแดงเราก็มาใส่สีขาว เพราะคุณเจ้าก็ใส่ชีวอนมีสีเดียวญาติโยมก็ไม่ต้องมีเสื้อผ้าหลายชุดไม่ต้องมาแต่งหน้าทาเล็บทาปากไม่ต้องไปกินอาหารที่มันเลิศรส ร, ร้านนั้นร้านนี้บ้านนั้นบ้านนี้เช้าขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งยากกับสามีภรรยาค่อยๆ ค, คิดตามไปเออจริงเนาะ ถ้าเราอยู่บ้านเราเนี่ยป่านนี้เราก็อาจจะยังไม่ได้ตื่นมาคิดเมื่อตื่นมาริมตามาเปิดหูเปิดตาเราก็คิดปรุงแต่งแต่ซับภายนอกมันเป็นกรพี้มันเป็นเปลือกมันไม่ใช่เนื้อนะเห็นแต่ผิวผันไม่ได้ดูเนื้อของตัวเองเห็นแต่เนื้อคนอื่นขาวสวย หมวยอืม่มที่เขาคิดเขาพูดกันไม่เคยเห็นกระดูกเราเลยกระดูกก็คือตะกอนตะกอนกรรมคือธาตุดินเราก็อยากได้พื้นดินนะแต่เกียดตะกายทำดินหาที่หาทางมีบ้านมีรถทั้งทั้งที่มีรถมากก็ต้องจ่ายมาก มีลูกมีครอบครัวคนเยอะก็ต้องหากินสาหัสสากรเกิดมาเนี่ปู่ย่าตายายพ่อแม่เราเนี่ยตายไปแล้วเราก็ไม่สามารถเอาอะไรไปได้แม้แต่ร่างกายรถดาบ้านช่องก็ต้องตกเป็นของลูกของสามีภรรยาไอ้ที่ตายที่หลังไอ้ที่ตายทั้งเป็นก็คือคนแก่ หัวก็งอกหนังก็เหี่ยวฟันก็หักหูก็ไม่ได้ยินตาก็มองไม่เห็นร่างกายก็คุดคู่หลังกดหลังงอเดินก็กระด่องกระแด้งไม่สามารถที่จะวิ่งเหินเดินได้กัดกินได้ดื่มได้มากฉันมากทานไม่ออกขี้เยี่ยวไม่ได้ ต้องพาไปหาหมอเอาสายยางสวนทวารสวนจมูกยัดลงปากลงคอไปผ่าตาไปผ่าหูไปฉายแสงเป็นโรคมาเร็งเส็งแข็งปวดแข้งปวดขาเรียกว่าเวทนาทางกายเรียกว่ากายวิญญาณที่เรายึดมั่นถือว่ามั่นว่าเป็นตัวกูของกู เมื่อเราเห็นเหตุและผลด้วยสติด้วยปัญญ า, าเราก็เห็นเลยว่าโอ้นาอนี่เป็นการปรุงแต่งชีวิตคนเราในะอยู่แค่สองหมื่นกว่าวันเราหาเงินสองหมื่นนี่ทั้งชีวิตเลยบางบางคนไม่มีเลยทำไมเราต้องกากกรรมมากขนาดนี้ ทำไมเราต้องลงทุนลงแรงโดยที่ไม่รู้เหตุรู้ผลรู้หวันรู้เวลานี่เรามันบ้าเหรอเนี่ยที่เขาเรียกว่าไอบ้บาหอบฟางคิดจะหอบลูปหอบเมียหอบรถหอบบ้านหอบแก้วแหวนเงินทองเราลองคิดสิว่าเราไปงานศพมาเนี่ยคนตายเนะี่บ้านหลังสุดท้ายของคน ตายเนี่ยกว้างศอกยาววาเวลาตายเขาก็เอาสายศิลมัดข้อมือแวนะเพื่อจะได้ชักจูงออกมาให้พระเนี่ยบางสกุลในมือนี่ก็มีดอกบัวทูบสามดอกเทียนหนึ่งด้ามเสื้อผ้ากางเกงนอกกางเกงในพ่อห่มหมอนบางคนก็ไม่ได้ใส่ไป ปิดฝาโรงก็ตอกตะปูฉีดยาเข้าไปเอาฟอร์มลินฉีดเข้าไปน้ำแข็งทับใส่ตู้เย็นเนะย็นสบายแล้วมึงอะอยู่ทั้งนอกก็มีแตะกีเล็ดเผาเล่าร้อนจิตใจอยากเอาบ้านใส่โรงไปไหมเห็นคนจีนเขาก็ทำบ้านทำแก้วเงินทองบ้านรถ อุปกรณ์บริโภคความร่ำรวยเหลือแต่กระดาษที่ทำสมมุติเข้าไปมนุษย์ก็สมมุติปรุงแต่งในใจเท่านั้นปรุงแต่งเรื่องของบุญกุศลก็คือในขณะนี้มีเหตุมีผลปรุงแต่งเรื่องของกิเลสกรรมต่างๆก็คือทำให้จิตใจมอวหมองก็คือความโลภ ความโกรธความหลงนี่ยังไม่ได้พูดถึงแค่ความโรบนี่เราก็สาหัสแล้วพูดถึงความไม่รู้ก็คือความโง่เขลาเบาปัญญาพูดถึงสัจจะบา ร, รมีเราก็ไม่มีสัจจะคือความจริงเราไม่เคยไปไม่เคยบำเพ็ญเพียรสัจจะบา ร, รมีเราก็ไม่รู้ของจริงเหมือนกับเราได้ทานอาหารแค่ได้ลิ้มรส ก็ติดใจซะและ้วเปรี้ยวหวานมันเค็มเราก็ดีใจติดใจวันไหนถูกปากถูกริ้นถูกใจก็กินมากไอ้ที่กัดกินเข้าไปก็คือสัตว์ต่างๆหรวงพ่อได้พยายามพาพวกเราเนี่ยไปปลูกผักไปปลูกไปทานผักพยายามไปทำความรู้จัก พยายามทำให้เราเนี่ยรัดจากความเป็นกิเลสเมื่อปลูกผักได้แล้วก็สอนด้วยตัวเมตตาเมตตาก็คือความรักความรักก็คือความปรารถนาบริสุทธิ์ดุดดังพ่อแม่รักลู ก, ลกพ่อแม่เนี่ยมีอะไรก็ป้อนใส่ปากลกูกมีอะไรก็แสวงหาทั้งชีวิตเนี่ย รวบรวมกำลังกายกำลังใจเนี่ยไม่รู้ผิดถูกชัว่วดีทั้งชีวิตเนี่ยเอามาให้ลูกพระหลวงพ่อขสอนเหมือนกันปลูกผักนางกางย่านเนี่ยเราเอาบาปกรรมทางกายของเราเนี่ยไปทำให้เกิดคุณค่าอย่าให้เวลามันฆ่าเราไปโดยเปล่าประโยชน์จะตื่นขึ้นมาทำไม จะรืมตาขึ้นมาทำไมไม่ทำอะไรเลยจะมีความรู้สึกมาขึ้นมาทำไมว่าเราเป็นมนุษย์คิดแต่เรื่องฟุง้งซ่านคิดแต่เรื่องอกุศลคิดแต่เรื่องกิเลสคิดแต่เรื่องของมูดคูดมูลต่างๆก็คือขี้นั่นเองเป็นขยะมุมฝอยเขาเรียกว่าไอขี้โม้ไอขี้เกียจเห็นไหม ที่คนโบราณก็พูดว่ า, าโอ้อิชีคนนี้มันขี้เกียจหน้าดูเลยโอ้โยมคนนี้มันมาอาศัยวัดไม่ช่วยพระช่วยเจ้ามันโคตรขี้เกียจเลยแสดงว่าโคตรขี้เลยพระเนนก็เช่นเดียวกันขี้เกียจทําวัดขี้เกียจบําเพ็ญเพียรขี้เกียจบิณฑบาตมันโคตรขี้เกียจเลยขนาดอยู่กับพ่อกับแม่ มันก็ขี้เกียจไม่ทำอะไรเลยมาอยู่เป็นพระก็มาอาศัยพระเหลืองแดกอีกนะถ้าพูดกันหยาบๆเรียกว่าเห็บลิ้นลหยที่มันเกาะกินหมูหมากาไกา่มันไม่ช่วยวัดไม่ช่วยศาสนาเห็นพระบางรูปเนี่ยเอาเปียบเอาเปรียบก็ทั้งหลวงพ่อเอาเปรียบก็ทั้งญาติโยมเช้ามาก็ไปขออาหารแล้ว ที่พูดถึงพระอรชีเปตธาตนะเช้ามาก็แบกอัฐบริขารวัดไม่ทำมนไม่สวดครูบาอาจารย์ไม่เคยปนิบัติน้ำสักแก้วก็ไม่ได้กินชีบวรสักผืนก็ไม่เคยสักให้อาศัยว่าคิดว่าเป็นวัดของตัวตนไม่เคยช่วยไม่เคยทำได้แต่คิดอคติใจต่อครูบาอาจารย์ พอเขาคิดบ้างก็รู้สึกปรุงแต่งตำหนิติติงกว่าจะสร้างวัดมาได้ขนาดนี้มีเมตตามัอนกันรักมัอนกันแต่รักไข้รักหวังจะเสพรักหวังจะสมสูนั่นเองรักให้ของก็ปัฒนาสิ่งตอบแทนทั้งสิ้นลองถามเราดีกว่า เราเนี่ยเป็นปีศาจหรือว่ามารร้ายกันแน่เวลากัดกินก็แอบบแอบบกินแอ บ, บกัดกินก็กินเลือดเนื้อคนอื่นเสวยคูดมูดสิ่งสกรปรกโสโครกเอามาปรุงแต่งรสเปรี้ยวหวานมันเค็มมองเห็นเป็นของดียิ่งกัดกินสัตว์เท่าไหร่เนี่ยมันก็อยู่ในตัวเรามากเท่านั้นเท่ากับเรากําลังมีถังขยะแค่เนี้ย เอาขยะมุมฝอยสิ่งกรปกโสโครกใส่มากเข้าไปในถังขยะเนี่ยรถเก็บขยะเนี่ยมันเก็บแล้วเอาไปทิ้งไปทําลายเนี่ยสู้คนกินไม่ได้สู้คนกอบโกยไม่ได้เมื่อเรากอบโกยทั้งหูทั้งตาทั้งกิเลสภายนอกเห็นแต่เปลือกไม่เห็นแก่นเนื้อก็มองไม่เห็น ความจริงก็ไม่เกิดขึ้นเพราะไม่เคยปรอบใจตัวเองไม่เคยดูใจตัวเองไม่เคยไม่เคยที่จะคิดปรุงแต่งในสิ่งที่มันเป็นบวกก็คือบุญเอาละเช้าๆอย่างนีนะ้ก็คาดว่าหนักหนาสาหัสเพียงพอแล้วบางคนก็ทนปวดทนง่วง บางคนก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างบางคนก็รับไปก็มีเสียงโกนก็มีบางคนก็สังขารก็ไม่สามารถจะตั้งไว้ได้งองงุ้มนะเพราะไม่เคยฟังไม่เคยสงบไม่เคยฝึกเอาชนะใจตัวเองเอาแต่กิเลสเป็นที่ตั้งมันก็เลยพ่ายแพ้เหมือนคนบ้า ไอาบาอีบ้าหอบฟางนั่นเองเช้าๆ้าอย่างนี้ค่อยๆยิ้มเขวะค่อยๆลืมตาถอนสมาธิหายใจให้เป็นปกติเพื่อจะได้กรวดน้ำสืบต่อไป